พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, ธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24กันยายน2556มีชื่อเรื่องว่ากิจเหตุผลเหนืออารมณ์ ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนฝนจะหมดแต่เมื่อวานก็มีเมฆหมอกควันหนาแน่นแต่วันนี้รู้สึกว่าโปร่งแต่เมื่อคืนนี่ทราบว่าทางอุดอรหนองคายฝนตกหนักนะแต่ทราบว่ามือเช้าเนี่ยย ด, ย, ยดแจดีที่จังหวัดหนองคายหักอแต่ไม่รู้ว่า เจดีย์เก่าแก่ขนาดไหนทำดีขนาดไหนได้ยินไหมยอดเจดีย์หากฝนตกรู้สึกว่าฝนตกนั่นอยู่แต่เมื่อคืนที่วัดของเราก็ได้ยินแต่เสียงร้องเหือเฮือแล้วก็ไปฝนไม่ตกเมื่อคืนแต่เมื่อเช้ารู้สึกว่าอากาศเย็นๆนะเหมือนกับจะมีอากาศเหมือนกับจะหมดฝนลักษณะอย่างนั้นเมื่อเช้าเนี่ย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 เรียนคำปวารณาออกภาษาปวารณาออกภาษามันต้องได้ท่องต้องใช้เวลาพอสมควรสําหรับผู้หัวไม่ดีความจําไม่ดีแต่ถ้าความจําดีก็ไม่มีปัญหาต้องวันเพียงวันสองสาวันก็ได้แล้วแล้วก็กถินผู้ที่จะฝึกซ้อมกถินก็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 ผู้ที่มาตามหลังเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นลูกคนจุดท้องจะได้เฉลียวฉลาดเหมือนกับลูกคนหัวปีก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าลูกคนหัวปีไม่เอาทานทะเลทลไหเง้เง่ง่างุ่มงุ่มงามงามเออมันก็สูกลูกที่คนมาจุดท้องไม่ได้เหมือนกันนะเหตุอะไรเพราะมันไม่เอาทานเพราะมันเซ่อ เพิ่อๆยังเป็นปั่มปเปิออีกต่างหากสิ่งเหล่านี้มันต้องพวกท่านทั้งหลายต้องได้คิดอันนี้เป็นคาพูดขององค์หลวงตาองค์หลวงตามหาบัวบอกว่าผู้ที่เขามาอยู่ก่อนเหมือนลูกคนหัวปีแต่ผู้ที่ตามหลังเข้ามาในเรื่อย ก, ก็เป็นเลียงลำดับกันลงไป ผู้ที่เข้ามาก่อนก็ต้องรู้ เ, เรียนรู้เรียงเยงสาภาวะบกควรปฏิบัติอย่างไรเพราะครูบาอาจารย์เจ้าของวัดหรือพ่อเหมือนกับพ่อของเป็นอาจารย์เเหมือนกับพ่ อ, อในครอบครัวลูกทั้งหลายก็ต้องมาเข้ามาก็เรียนเพื่อการศึกษาถ้าศึกษาแล้วก็ต้องรู้จักใจ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 ผู้ที่เข้ามาอยู่เข้ามาศึกษาต่อไปภายภาคหน้าพวกเราก็จะได้เรียนรู้วิชาวยาจะอยู่ด้วยกันตลอดอนันตการบางทีก็ได้จำจากกันออกไปเป็นเจ้าวาดไปเป็นหัวหน้าเราก็จะได้ปฏิบัติวางแผนถูกอย่างโรวงพ่อก็เหมือนกั น, นตะกรก็อยู่องค์หลวงตา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 ใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเวลาครูบาอาจารย์บอกไงฟังฟังผิดหรือถูกฟังท่านมีชั่นเชิงเลีล่ยเลมยังไงฟังเราจะไปซื้อบื้อว่าท่านพูดผิดทีเดียวไม่ได้เพราะว่าท่านพูดอย่างเชิงดูว่าเป็นยังไงพูดจากนี้เข้าไปเป็นยังไงทิฏฐิมานะมันจะออกมาไม้ไหน สียงเหล่านี้มันอาจารย์เขาว่าอาจารย์คำนี่นหะมองรอบด้านขนาดโปรธิรัตไปเรียนกับเนนน้อยอาจารย์พระเถราเออเอาไล่ลงไปบอกว่าเออผมออไม่มีความสามารถในะองค์นั้นองค์รองนะท่านมีความสามารถกว่าโอแล้วก็ครับท่านอาจารย์สอนผมโอ้ผมไม่เก่งเท่าองค์ที่ สามนะองค์ที่สมเก่งกว่าผมไ ป, ไปเรียนกับองค์นั้นไปก็ไปหาองค์นั้นทั้งที่ท่านเป็นพระมหาเถระจบพระไตรปิฎกโปธิลัตพ ร, ระพุทธไปกา่าพระพุทธเจ้าที่ไรกับโปทิลัตท่านใบลานเปล่าคือไม่มีคุณไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาอารหารันยังไม่เป็นพระหัน์พูดง่ายๆท่านกมา็มาศึกษากับพระที่อยู่ในป่า30รูป พระสามสิบลูกอยู่ในปา่านั่นตั้งแต่หัวหน้าจนถึงสมมามเณรเป็นพระอหารทั้งหมดเป็นผู้มีแตกฉานในวิชาปฏิสัมพิทายานด้วยกันทั้งหมดทั้งสามสิบองค์ตั้งแต่อาจารย์จงถึงเนนน้อยอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นก็นบอกลงไปบอกลงไปจนถึงเนนน้อยเนนน้อยไม่รู้จะเท้งไปที่ไหนพอมาถึงสุดท้ายแล้วเนนน้อยก็บอกว่าอาจารย์จะฟังผมหรือเปล่าถ้าผมสอนพระผมบอก ฟังเนี่ยผมมาเพื่อการศึกษาแท้ๆนะถ้าหากว่านั่นก็เอาถ้าหากว่าจะฟังผมปะเดินตามหลังผมเนีนน้อยพอเดินเข้าไปไปขึงครึ่งทางไปอาจารย์เดินเข้าป่าเนีน่ยแต่ถ้าว่ามีทิฏฐินะเอาเนนจะให้เราเดินเข้าป่าทำไมมีเหตุผลอะไร มีเหตุผลอะไรจึงให้เดินเข้าป่าไปอาจารย์เดินเข้าป่าอาจารย์เดินก็เดินเข้าป่าเลยเอยโดนไม่ต้องฟังว่าเหตุผลอะไรเดินเข้าป่าเดินสวดเทว์ไม่ต้องอาจารย์ออกมาอาจารย์ก็เดินออกมาพอไปเห็นสระน้ําติ่มทางในทางเดินไปอาจารย์ลงน้ําอำไม่ต้องผ่าสังขารติจีวรไม่ต้องเอาออกคุมไปงั้น พอจะลงไปผ้าจะเปียกอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาขึ้นมาพอๆๆ อ, อ, อาจารย์ก็ขึ้นมาเนนน้อยก็บอก อ, อาจารย์เนี่ยเราจะสอนคงฟังหมดทุกอย่างขนาดเราบอกให้เข้าป่าก็เข้าบอกให้ลงน้ำก็ลงทั้งทีท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่แต่เนนน้อยเนนน้อยเป็นคนจะสอนเสร็จแล้ว พอเส็จปะอาจารย์ตามหลังผมมาอาจารย์ก็ตามหลังเนน้อยไปไปที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสมเปลี่ยวที่สงบคงจะเป็นท่อนไม้ขอนไม้หรือเป็นโขดทิ้นอะไรก็ไม่รู้อะที่ว่าเป็นที่สงบนั่งอยู่ตามลาพังอาจารย์เน้นน้อยก็ถามว่าอาจารย์ฟังนะให้สังเกต ที่ผมจะพูดให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะให้อาจารย์ฟังให้อาจารย์สังเกตผมจะเล่าผมจะพูดให้ฟังผมจะอุปมาอุปไมยให้ฟังสมมติว่ามีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งแต่มีรูอยู่หกรูในจอมปลวกนั้นแต่มีตัวเฮี้ยตัวเงินตัวทองนั่นอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนะ แต่ว่าเจ้าเหี้ยตัวนี้น่ะตัวเงินตัวทองตัวนี้น่ะมันจะโผล่ออกมาหากินอในรูของมันนะตามที่รูมันมีอยู่หกรูนัน่น เ, เดี๋ยวก็ออกไปรูนั้นหากินออกอูอ่ออกรูนี่หากินเหี้ยตัวเนี้ยมันก็อยู่ในมันก็อยู่ในจอมปลวกนี่แหละแต่ถ้าอาจารย์อยากจะจับเหี้ยตัวนี้น่ะ จับตัวเงินตัวทองเนะ่ะอาจารย์ต้องปิดลูซะก่อนอปิดทุกหรูซะก่อนแล้วก็ขุดลูใดลูดหนึ่งคือรูดัก อ, อาจารย์จะจับเฮียได้เข้าใจไหมที่ผมพูดให้ฟังพอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจสัมเณนเข้าใจไหมอาทางนั้นก็ออกไปปฏิบัติไปปฏิบัติปปตครับ จากนั้นก็แยกย้ายกันจากนั้นเป็นนั่งสมาธิอยู่ตามลำพังอยู่ในที่สงบสงัดนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำหนดลมหายใจเข้าออกดูิดูใจคล้คล้ายกับสมณเณรบอกว่าจอมปลวกนั้นอ่ะมันมีอยู่ห้าหกรูน่ตาเออ เป็นทางเ ห, หี้ยออกหากินมันเป็นเป็นหน้าต่างของเ ห, หี้ยออกหากินคือรูหนึ่งหูคือทางเหี้ยออกหากินจมกูกทางเหี้ยออกหากินเลนส์ปากเป็นทางเหี้ยออกหากินสัมผัสเป็นทางเหี้ยออกหากินและกระจายตัวนึกคิดเนี่ยคือรูดักอา่ารูดักของมันแหละนั่นแหะ อารมณ์ทางใจเนี่ยมันไปเห็นรูปพอใจไม่พอใจอดีใจถ้าหางวาดรองํำทำเพลงเป็นที่พอใจเมื่อตาไปเห็นรูปรูปสวยๆงามๆก็ดีใจกิเลสลาค้าออกไปแล้วถ้ามองไปเห็นขี้ร้ายกิเลยังกำหมัดกำมวย ท้าตีท้าต่อยอีกต่างหากตาไปเห็นโมโหเนีขึ้นมาอันนั้นแปะว่าเี่อออกไปหากินเออมันส่งเข้ามาทางตาโมโหเห็นา่าไม่พอใจ เ, ออเกิดอารมณ์โกรธนะนี่แหละเมื่อตาไปเห็นรูปเกิดอารมณ์รักเกิดอารมณ์โกรธถ้าเห็นธรรมดาก็ไม่มีอะไรเป็นอพยยากตาเป็น ก, กลางๆลา ก็ไม่เกิดอารมณ์อะไรพอเห็นผ่านไปก็ผ่านไปแต่สินเห็นที่สิ่งที่พอใจสินสิ่งที่ไม่พอใจมันอารมณ์มันบ่งบอกจากนั้นก็โตหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงไม่พอใจเสียงพอใจจมูกก็เหมือนกันกลิ่นเหม็นไม่พอใจกลิ่นหอมพอใจลิน้นรดพอใจรดไม่พอใจสัมผัสเย็นเร้อนอ่อนแข็งหนาว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 นั่นแหละพอเข้ารูดักนั่นน่นะพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่ปัตปบายเชตวันพักอยู่ในพระคันทกุดีท่านมองเห็นว่าเออโปธิรัตกำลังออตลุมบอลขนาดหนักพระุธองค์ก็ส่ง อ, อ, อำนาจจิตส่งกระแสจิตมาสอนทางกระแสจิตเออโปธิรัตดูให้ดีเออเอาชนะให้ได้ พระองค์ก็เทศแนวอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักโพโธิรัทธท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระรหัน์ในขณะนั้นแหละพอได้สาเร็จแล้วก็ลาพระเถระเล้วกิเสด็จเหาะกลับไปวัดป่าเชตวันเลยถิ่นเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมเป็นกําลังของพระพุทธศาสน า, าเป็นกําลังองค์หนึ่งที่ประกาศพระาศาสนาตะกอนมีแต่ปริยัติ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 ให้ศึกษาเพื่อการศึกษามาเพื่อการศึกษามาอยู่ที่วัดของโลวงพ่อกอย่างที่ว่ามาเพื่อการศึกษาแต่ละปีหนานี้ท่านทำอะไรเดือนนี้ท่านทำอะไรแต่ละปีปือปีที่ผ่านมาที่เรามาอยู่แล้วปฏิบัติตนอย่างไรในขณะที่มาอยู่กับพระใหม่พระเก่า สิ่งเหล่านี้มันต้องทบทวนดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อเข้ามาเข้ามาศึกษาไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเกิดคว้างอยู่ไปอย่างนั้นะเป็นวันวันไปถ้าอยู่อย่างนั้นก็ไม่แพ้กับพวกลิงข้างบางชนีพวกมาอยู่ในวัดของหลวงพ่ อ, นะ อ, อมาอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นพวกเต่าปูปลาหอยอยู่ในวัดของหลวงพ่อ เ, เต็มไปหมด เ, เราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นพวกพระที่เขามาศึกษา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 ไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งอย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้มาถึงในระดับนี้เพราะนั้นมาถึงระดับนี้เราจะทำยังไงลองต้องพยายามทำให้ดีที่สุดปกป้องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ำำ เ, จาเหมือนน้ำที่ใสสะอาดพร้อมที่จะพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยน้า มนุษย์ท้งหลายต้องอาศัยน้าแต่ว่ามีคนเกเรหรือว่าสัตว์เกเรใครก็ตามลงมาทำร้ายทำลา ย, ายบ่อน้ำที่ใสสะอาด เ, อาเราผู้ที่รู้คุณค่าของการดูแลรักษาน้ำเราก็ต้องปกป้องเอ้ยอย่าทำาน้ำเาเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายาถ้าคุณไม่ต้องการเธอไม่ต้องการก็จะมายุ่งไปหาที่อื่น ไปกินที่อื่นได้เพราะอิ่มแล้วนะี่จะมายุ่งทำไมอันนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเหมือนน้ำที่ใสสะอาดผู้ที่เห็นคุณค่าเข้ามาศึกษาไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศีลปฏิบัติก็มีประโยชน์แต่บางคนเข้ามาก็ทำไร้ทำไรยดูถูกเยียดย่ำเพราะไม่เลื่อมใสเพราะไม่เชื่อเพราะไม่ศรัทธาไม่ไม่มีความเชื่ออยู่ในใจ มันเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าว่าเรามีศรัทธาคือความเชื่อไว้เป็นพื้นฐานจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติตามที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เราก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบัติเพวัะนั้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วเห็นแล้วรู้แล้วว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงจากนั้นเราก็ได้ บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนปกป้องเพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไปแต่ถ้าว่าผู้ใดได้อยู่ได้กินแล้วก็เฉยไม่ได้สนใจไม่ได้ปกป้องผลที่สุดผู้ที่มาก็กินแล้วกันะทั้งขี้ทั้งเยี่ยวใส่อีกต่างหากแล้วจะเป็นยังไงแล้วอนุชนรุ่นหลังที่มาเขามาะจะเป็นยังไงอันนั้นแปลว่าทําร้ายทําลาย ธรรมชาติทำร้ายทำรายพระพุทธศาสนาทำร้ายทำรายหลักการโดยไม่เจตนาแต่ว่าเสียหายนะถึงจะเจตนาและไม่เจตนาก็เสียหายเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าในรับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะปกป้องเชิดชูบูชาเพื่อให้คนทั้งหลายได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุข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 เข้ามาสู่จิตใจแล้วมันจะมองไม่เห็นมันตาฟ้าตาฟางมืดมัวไปหมดเห็นแต่พักเห็นแต่พวกเห็นแต่กลุ่มของตนเองเห็นแต่ตัวเองเป็นใหญ่มันได้เห็นแก่ใครนั่นแหละมันยุ่งเหิงวุ่นวายเพราะเหตุว่ากิเลสนี่นะ่ะอกิเลสตัวนี้แหละกิเลสโลภโกรดหลงนะั่นมันไม่หนีจากตุวจุดนีนะ้ถ้าหากว่ามีทำเข้าสู่จิตใจแล้วจะมองเห็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรนี้ก็เหมือนกัน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 แต่ไม่ควรจะใช้มานะคือความแข็งกระด้างแต่ก็แข็งกระด้างก็ใช่ใน แ, แข็งกระด้างในทางที่ถูกต้องข้าไปเจ้าจะมีความสัตย์จริงจะรักษาศีลธา้าจะรักษาศีลุโบสดจะนั่งภาวนาวันละกี่ชั่วโมงอันนั้นก็คือให้แข็งแข็งกระด้างเอาไว้แข็งอยาวันไหวอันนั้นถูกต้องแต่เพื่อแข็งด่าคนนั้นบด่าคนนี้ปามารคนนั้นคนนี้ ดูถูกเกลียดย้มคนนี่มองเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเอาเรื่องคนนี้มาวิจารณ์ เ, เรื่องทิฏฐิอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่บอาแข็งก็ให้แข็งกับศีลกับธรรมแข็งกับความถูกต้องอแข็งในหลักธรรมพิในใครมาทาผิดทมพิในไม่ได้นะามาเยียบย้ำท ำ, ทำลายทำพิในคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามไม่ได้นะแข็ง อ, อันนี้ถูกต้อง ถ้าว่าอ่อนปลูกเปียกใครจะทําอะไรก็ทําอันนั้นไปว่าออ่อนก็อ่อนไม่ถูกต้องเพร ะ, ะนั้นแข็งก็ให้ให้มีให้มีหลักเหตุผลอ่อนก็ให้มีหลักเหตุผลอสรุปแล้วก็คือให้เป็นธรรมจิตใจให้เป็นธรรมถ้าจิตใจไม่เป็นธรรมจิตใจมีตะกีเละมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะะี่ค่ะเนี่ยเป็นแนวความคิดของพุทธะ ศาสนาในการแนะนําสั่งสอนขนาดนีน้อยอย่างสอนพระธิมหาเถระได้อพระธิมหาเถระก็ต้องยอมรับเหตุผลบางสิ่งบางอย่างนีน้อยก็ไม่ได้บอกเหตุผลอาจารย์เข้าป่านะอาจารย์ลงน้ํานะแต่ในอาจารย์แต่ในใจของเนีน้อยรู้ว่าจะสอนอาจารย์อย่างไรเพราะว่าเมื่อบอกแล้วอาจารย์โอ้ยไม่ไปแล้ว ไม่เข้าไปเข้าไปทําไมไม่มีเหตุมีผลหนามอีกต่างหากไม่มีรองเท้าอีกต่างหากเนนไปอย่างนี้ไม่ไปหรอกไม่เรียนไม่ศึกษาพูดเลยไม่มีเหตุมีผลอย่างนี้เนนน้อยก็จะโอ้ถ้าเราพูดธรรมะเข้าไปคงยังไม่เชื่อเราจะไปพูดทําไมพูดให้คนไม่เชื่อไม่มีศรัทธาไม่เกิดประโยชน์เนนน้อยก็บอกพระอาจารย์ไปกลับไปะจ้ะแปลว่าสอนไม่ได้ฮะ ยังกระส่งลักษณะอย่างนั้นเพราะพระอรหันเนนน้อยถึงจะเป็นเนนน้อยกว่าจริงแต่เป็นพระอรหันท่านเฉลียวฉลาดมากเน่ยเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วกิเลสไม่มีในใจของท่านแล้วถึงจะเป็นเนนน้อยก็คือพระมหาเทระเนี่ยหลักธรรมท่านพูดอย่างนั้นถ้าถึงจะเป็นเนนน้อยก็คือพระมหาเทระแต่ถ้าจะเป็นผมงอกผมเขาขนาดไหนก็เถอะอยังเป็นอนุเทระอยู่เอยังไม่ใช่พระเทระยังเป็นพระ